จเจริญพรท่านพุทธบรญสัตว์อุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ส3สามกราคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้มาประกอบคุณงามความดีเสริมสร้างความสวยงาม ให้กับตนเองด้วยการทําบุญทําทานด้วยการรักษาศีลด้วยการฟังเทศน์ฟธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมเพราะความสวยงามของคนเรานั้นที่แท้จริงต้องสวยด้วยคุณธรรมสวยภายในใจไม่ได้สวยที่กายความสวยที่กายไม่ได้เป็นความสวยที่แท้จริงความสวยที่แท้จริงนั้น ต้องเป็นความสวยภายในใจสวยด้วยคุณธรรมความดีงามเช่นความเมตตากรุณารื่อเฟือเผื่อแผ่ความศียสละไม่เห็นแก่ตัวความซื่อสัตย์สุจริตไม่ไม่คดไม่โกงไม่โกหกหลอกลวงนี่คือความสวยงามของคนเรา ระหว่างคนที่สวยทางกายแต่ใจไม่สวยกับคนที่สวยทางใจแต่กายไม่สวยนั้นจะเลือกอยู่กับใครคนที่สวยทางรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าอภรแต่เป็นคนใจร้ายเป็นคนไม่มีความเมตตากรุณาเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนไม่ซื่อสัตย์ฉดจริตชอบโกหกหลอกลวง ชอบรักเล็กขโมยน้อยกับคนที่ไม่สวยงามทางร่างกายแต่สวยงามทางจิตใจเป็นคนที่มีความอบอ้อมอารี เ, ออเพื่อเพื่อเผื่อแผ่เป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่ซื่อตรงไม่คดไม่โกระหว่างคนสองชนิดนี้เราจะเลือกอยู่กับใคร ส่วนใหญ่แล้วเราไม่รู้กันนั่นเองเราถึงเลือกอยู่กับคนที่สวยงามทางหน้าตาเพราะเราคิดว่าเมื่อสวยทางร่างกายแล้วความสวยงามทางจิตใจก็จะตามมาต่อไปก็จะตามมาด้วยแต่พออยู่ด้วยกันไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ต้องอย่าร้างกันไปเพราะไปเจอความไม่สวยงามของใจเข้าความสวยงามของร่างกายจะ สวยงามขนาดไหนแม้จะเป็นนางงามจั ก, กรวาลก็ยังไม่สามารถชนะใจคนได้ต้องความสวยงามทางด้านจิตใจที่จะเอาใจเอาชนะใจของผู้อื่นได้ดังนั้นเราจึงอย่าไปหลงประเด็นอย่าไปเห็นความสวยงามทางร่างกายเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าความสวยงามทางจิตใจ เพรความสวยงามทางร่างกายก็เป็นสิ่งที่ไม่จีรังถาวรเป็นสิ่งที่จะต้องเสื่อมไปเรื่อยๆตามวัยตามเวลาแต่ความสวยงามทางจิตใจนั้นไม่เสื่อมไปกับการกับเวลามีแต่จเจริญขึ้นไปเรื่อยๆถ้าได้รักษาได้เสริมสร้างอยู่เรื่อยๆด้วยการทำบุญทาทานด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรม อย่างสม่ำเสมอแล้วความสวยงามทางจิตใจก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงความสวยงามขั้นสูงสุดเช่นความสวยงามของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายที่พวกเรากราบไหว้เรื่อมสายศรัทธาทั้งๆ ท, ที่เราไม่เคยพบตัวของท่านเลยแต่เราได้ยินกิตติสั์คุณงามความดีงามของท่าน ที่ท่านได้มีแก่สัตว์โลกความเมตตากรุณาที่ท่านมีต่อสัตว์โลกพระปัญญาความเฉลียวฉลาดที่ถ่ายทอดความรู้ที่จะพาสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้โดยไม่คิดเงินคิดทองไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนเลยแม้แต่บาทเดียว นี่คือความสวยงามของมนุษย์เราของคนเราอยู่ที่จิตใจอยู่ที่การเสียสละไม่เห็นแก่ตัวอยู่ที่ความอบอ้อมอารีไม่โหดร้ายทารุณดังนั้นเราจึงควรที่จะมาเสริมความงามทางด้านจิตใจกันให้มากกว่าเสริมความงามทางด้านร่างกายร่างกายก็ดูแลพอไม่ให้มัน ดูไม่ได้ก็พอใช่ได้คือให้วผ้าวีผมล้างหน้าล้างตาให้สะอาดแต่ไม่จำเป็นจะต้องไปย้อมผมไปแต่งผมไม่ต้องไปทาแต่งหน้าทาปากใส่น้ำหอมต่างๆสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถกลบความไม่สวยงามของร่างกายได้นอกจากคนที่ไม่ฉลาดเท่านั้นที่จะมองไม่เห็น กพาคนที่ฉลาดแล้วนั้นเขารู้ว่าร่างกายของคนเหล่านั้นมีแต่สิ่งปฏิกูลไหลออกมาอยู่ตลอดเวลามีเหงื่อไครมีกลิ่นที่ไหลออกมาจากร่างกายอยู่ตลอดเวลามีอวัยวะน้อยใหญ่ที่ไม่สวยงามซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังสิ่งเหล่านี้คนไม่ฉลาดจะมองไม่เห็นแล้วก็จะหลงติดอยู่กับ ความสวยงามของร่างกายแล้วก็ต้องมาเสียใจภายหลังเมื่อร่างกายได้เสื่อมลงไปได้แตกสลายดับลงไปนี่ก็เป็นเพราะว่าไม่รู้จากการดูคนนั่นเองดูคนไม่เป็นถ้าดูคนเป็นแล้วต้องดูที่พฤติกรรมดูการกระทำของคนไม่ได้อยู่ไม่ได้ดูที่รูปร่างหน้าตา เพราะว่ารูปร่างหน้าตานั้นไม่ได้เป็นตัวที่จะสร้างความดีงามหรือสร้างความเสื่อมเสียแต่สิ่งที่จะสร้างความดีงามหรือความเสื่อมเสียอยู่ที่การกระทาําทางกายทางวาจาและทางใจดังนั้นเราจึงควรที่จะให้ความสําคัญต่อการเสริมสร้างความสวยความงามของจิตใจด้วยการ เจริญเมตตาอยู่อย่างสม่ำเสมอให้มีความให้มีไมตรีจิตต่อเพื่อนสัตว์เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าจะยากดีมีโจนอย่างไรเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราเขาก็มีจิตใจเหมือนเราเขาก็มีความปรารถนาความสุขปรารถนาความการุณาจากจากเราเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์เขาก็ต้องการสิ่งเดียวกันแล้วถ้าเราให้กับเขาได้เราก็จะให้ความสุขกับเขาแล้วเราก็จะให้ความสุขกับเราด้วยเพราะเมื่อเราได้ทำความดีได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เราก็จะมีความสุขตามมานี่คือการดำเนินชีวิตเพื่อนำไปสู่ความเจริญ คือความสวยงามยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นํานไปสู่ความสุขทางด้านจิตใจคนที่มีความดีแล้วมักจะไม่จำเป็นจะต้องมีสมบัติข้าวของเงินทองสิ่งต่างๆภายนอกมากมายกายกองเช่นพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวุกท่านไม่มีอะไรเป็นสมบัติภายนอกนอกจากสิ่งที่จำเป็นต่อการดารงชีพเช่น จีวรสามผืนบาทหนึ่งใบใบมีดโกนไว้สําหรับลรงผมเข็มกระได้ไว้สําหรับปะเย็บสีวรประคดเอวไว้สําหรับรัดรัดเข็มขัดก็มีอยู่ประมาณนี้เท่านั้นเองที่จำเป็นต่อการดำรงชีพแต่ใจของท่านไม่มีความหิวไม่มีความอยากไม่มีความกระหายกับสิ่งอื่นๆ เพราะใจนั้นเต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขเต็มเปลี่ยนไปด้วยความอิ่งความพอนั่นเองส่วนพวกเรานั้นแม้จะมีสมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรใจก็ยังมีความหิวมีความอยากมีความต้องการอยู่เพราะใจไม่ได้รับการดูแลนั่นเองสิ่งที่ได้รับการดูแลคือกิเลสตัณหาต่างหากกิเลสตัณหาก็เลยเจริญเติบโต ใหญ่โตขึ้นไปใหญ่ยิ่งทำลายตามความโลภตามความอยากเท่าไหร่กิเลสตัณหาก็จะมีกำลังมากยิ่งยิ่งขึ้นไปทำให้มีความอยากมากยิ่งขึ้นไปทำให้มีความโลภ ม, มากยิ่งขึ้นไปทำให้มีความโหลธความโกรธมากยิ่งยิ่งขึ้นไปและเมื่อมีสิ่งเหล่านี้อยู่ภายในใจมากเพียงไรก็จะมีความทุกข์มากขึ้นเพียงนั้น แม้จะมีสมบัติเงินทองเป็นหมื่นเป็นหมื่นล้านแสนล้านแต่จิตใจหาความสุขไม่ได้มีแต่ความทุกข์มีแต่ความหิวกระหายต่ออำนาจต่อเงินต่อทองไม่รู้จักจบจากสิ้นเป็นเพราะความหลงนั่นเองเราเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าการสะสมเงินทองการสแสวงหายศถาบรรดาศักดิ์อำนาจวาสนาการสแสวง ความสรเสริญเยินยอการแสวงหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑ์ว่าเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งความสุขแต่หารู้ไหมว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมีแต่จะนำมาซึ่งความวุ่นวายใจเพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเป็นยาเสพติดนั่นเองยาเสพติดเราก็รู้ว่ามันเป็นอย่างไร มันมีโทษมากขนาดไหนแต่ก็ยังมีคนเสพอยู่ยังมีคนติดอยู่เพราะเพราะเขาไม่รู้นั่นเองเขาคิดว่าเสพยาเสพติดเข้าไปแล้วเขาจะมีความสุขแต่เขาไม่รู้ว่าเมื่อเสพไปแล้วเขาจะต้องติดมันเวลาที่ไม่มีเสพเขาจะต้องทุรนทุรายทรมานจิตใจเป็นอย่างมากถ้าไม่ได้เสพไป นานๆเข้าก็อาจจะถึงแก่ความตายก็ได้ถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งพอที่จะต่อสู้กับความอยากเสพยานั้นฉันใดการอยากจะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะก็เป็นแบบเดียวกันการอยากจะเสพอำนาจวาสนาเสพมีเงินมีทองมีตำแหน่งสูงๆก็เป็นแบบเดียวกันเวลาได้มาก็จะมีความรู้สึก ด, ดีอกดีใจ แต่สัตระยะห น, นึ่งก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกก็ต้องเดินลนแสวงหาอีกหาไปเรื่อยๆตามขั้นของมันได้ได้คือก็อยากจะได้ได้สอบได้ศอก็อยากจะได้วามันจะไปอย่างนั้นเรื่อยๆไม่รู้จักจบจากสิน้นแล้วชีวิตจะไปหาความสุขได้ที่ไหนถาา้ากรกองสมบัติกองเท่าภูเขาแต่จิตใจกลับรุ่มร้อน ทุกคนที่ไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองไม่ได้เช่นพระพุทธเจ้าของเราพระอรหันตสาวกของเราใครจะมีความสุขมากกว่าท่านไม่มีในโลกนี้รับรองได้เพราะจิตของท่านนั้นไม่มีความทุกข์เหลืออยู่เลยแม้แต่น้อยนิดเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นจิตที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยปรมังสุขขังบรมสุขความสุขที่สุดยอดที่สุดที่มนุษย์จะสามารถ หยิบยื่นให้กับตนได้พระพุทธเจ้าได้หยิบยื่นให้กับตนแล้วถ้าเปรียบเทียบกับรางวัลทางกีฬาก็เป็นเหรียญทองไม่มีใครเป็นเหรียญทองไม่มีอะไรที่จะสูงสุดไปกว่าเหรียญทองเวลาแข่งขันกีฬาทุกคนก็มุ่งไปที่เหรียญทองฉนันใดความสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดที่ไม่มีความทุกข์ทุกข์เยื่อบนอยู่เลยก็มีอยู่ในศาสนาอยู่ในพระพุทธศาสนา โกยจากการกระทำความดีสร้างความสวยงามให้กับจิตใจของเราที่จะเป็นรางวัลที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่ทำดีคิดดีพูดดีเป็นสิ่งที่เราควรที่จะหันมาสแสวงหากันอย่าไปหลงสแสวงหากับสิ่งที่ไม่มีสาระไม่มีคุณประโยชน์กับจิตใจ มือแต่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้ไม่รู้จักจบจากสึ้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นคือทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปถ้าไปยึดไปติดแล้วก็จะต้องทุกข์ใหญ่ เวลาที่สิ่งนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเช่นเรามีอะไรสักอย่างที่เราชอบเรารักพอมันสูญหายไปเราจะรู้สึกอย่างไรเราก็จะต้องรู้สึกเสียอกเสียใจเพราะว่าเราปรไปยึดไปติดกับสิ่งที่มันไม่จรังถาวรนั่นเองเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ภายใต้อำนาจของเราที่จะควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้ เราไม่สามารถรักษาให้มันเป็นเหมือนเดิมเหมือนกับวันแรกที่เราได้มาสิ่งทุกอย่างที่เราได้มาแล้วมันก็จะค่อยๆเสื่อมไปจากของใหม่ก็จะกลายเป็นของเก่าจากของเก่ากจากจากของเก่าก็จะกลายเป็นของชำรุดและเป็นของพังเสียไปในที่สุดนี่เป็นธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวของต่างๆ หรือบุคคลต่างๆก็เช่นเดียวกันเราได้ใครมาเป็นคู่ครองของเราไม่นานเขาก็เขาก็แก่เราก็แก่เราได้ลูกมาเขาก็ไม่นานเขาก็แก่แล้วเขาก็ต้องตายจากกันไปนี่เป็นเรื่องปกติของโลกนี้ที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ได้รู้เห็นอย่างชัดเ จ, จนจน ไม่ปรารถนาที่อยากจะอาศัยสิ่งเหล่านี้ให้ความสุขกับตนจึงได้สละสมบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองยดถาบรรดาศักดิ์หรือครอบครัวถ้ามีครอบครัวก็สละแล้วก็ไปอยู่แบบสงบอยู่ในป่าแสวงหาความสุข ที่เกิดจากการทำความดีเกิดจากการรักษาศีลเกิดจากการทำจิตให้สงบเกิดจากการเจริญปัญญาเพื่อกำจัดความหลงที่จะหลอกล่อจิตใจให้ไปแสวงหาสิ่งต่างๆที่เป็นทุกข์ที่เป็นสิ่งที่ไม่จีรัาถาวรถ้าไม่มีการอำเพ็ญแล้ว ต่อให้ได้ยินได้ฟังมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถที่จะหักห้ามจิตใจได้เวลาที่อยากจะไปเสพลูกเสียงกินนวดโภถภาจะไม่มีกําลังที่จะต่อสู้กับความอยากได้เวลาอยากจะได้เงินได้ทองก็จะไม่มีกําลังที่จะต่อสู้เวลาอยากจะมียศมีตาแหน่งมีอํานาจวาสนา ก็จะไม่มีกำลังที่จะต่อสู้ได้มีสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ก็คือการปฏิบัติธรรมตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้สอนให้เราเสียสละให้เราลดให้เราละให้เราบริจากสิ่งของต่างๆที่เรามีเหลือกินเหลือใช้อย่าไปหวงอย่าไปเก็บไวเพราะมันจะเป็นภาระทางด้านจิตใจ มันจะสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจและมันจะไม่สามารถทำให้เราเก้าวหน้าขึ้นไปทางด้านจิตใจได้เราจะติดอยู่กับการห่วงการดูแลรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเวลาจะไปวัดไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมก็ไปไม่ได้เสียดายครัวเข้าของเงินทองที่เก็บไว้จะหายไปหรือ กลัวว่าจะไม่มีเวลามาดูแลรักษาให้มันมีเท่าเดิมหรือมีมากขึ้นไปเพราะเงินทองที่เรามีไว้บางทีมันก็ขึ้นขึ้นลงลงตามสถานตามตา ม, ตามเหตุการณ์ตา่ตางๆถ้าเราไม่คอยอยู่ในเหตุการณ์เวลาเกิดมีอะไรขึ้นมาเราอาจจะแก้ไขไม่ทันแช่นานมีเงินมีมี ม, ม, มีมีหุ้นอยู่มาก แล้วถ้าเกิดหุ้นมันลีมันตกทันทีทันใดถ้าไปอยู่วัดพอกลับมาหุ้นที่เคยมีราคาร้อยบาทเหลือแค่สิบบาทก็จะลมจับเอาแต่ถ้าอยู่อยู่ใกล้ๆกับตลาดหุ้นคอยติดตามพอมันเริ่มลงก็ยังจะรีบขายได้เพื่อที่จะรักษาผลประโยชน์ของตนไว้นี่จะเป็นภาระทางด้านจิตใจ จะทำให้ผู้ที่มีสมบัติเงินทองมากๆนั้นจะไม่สามารถก้าวขึ้นสู่ธรรมะขั้นสูงได้คือการปฏิบัติจิตภาวนาการทาจิตใจให้สงบนั้นจาเป็นจะต้องอยู่ปราศจากสิ่งต่างๆภายนอกต้องไม่รู้ไม่ต้องไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆเลยอย่าไปรับรู้เรื่องราวข่าวสารอะไรต่างๆเพราะถ้าไปรับรู้แล้วแม้จะอยู่ในป่าอยู่ไกลจาก บ้านเมืองสักแค่ไหนก็ตามพอได้ข่าวไม่ดีขึ้นมาจิตใจก็ว้าวุ่นขุ่นมัวจิตใจจะไม่สงบจิตใจจะฟุ้งซ่านและก็จะทนอยู่ไม่ได้แต่ถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้เจริญขึ้นให้มีความร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้นเราก็ต้องสัต์กับเรื่องสมบัติเข้าของภายนอก มีเก็บไว้เท่าที่จําเป็นก็พอเก็บไว้ดูแลอัตภาพร่างกายของเราเพื่อให้เราไม่เดือดร้อนเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยเท่านั้นเองมีเท่านี้ก็พอแล้วเราจะได้มีเวลาไปบปําเพ็ญไปสร้างความสงบให้กับจิตใจสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นกับจิตใจเพราะถ้าเรามีความสงบและมีปัญญาแล้ว ใจิตใจจะสามารถต่อต้านความหลงที่จะคอยหลอกคอยล่อให้ไปแสวงหาสิ่งต่างๆภายนอกได้าะจะรู้ทันว่าการแสวงหาสิ่งต่างๆภายนอกนั้นเหมือนกับการแกว่งเท้าไปหาหาเซียนนั่นเองแกว่งเท้าไปหาหนามมีแต่จะต้องเจ็บปวดตามมาไม่ว่าอะไรก็ตามสิ่งต่างๆในโลกนี้ถ้าเราไปได้มาเป็นสมบัติของเราแล้ว รับรองได้ว่าเราจะต้องทุกกับมันอย่างแน่นอนได้สามีก็ต้องทุกกับสามีได้ภรรยาก็ต้องทุกกับภรรยาได้ลูกก็ต้องทุกกับลูกได้สมบัติเข้าของเงินทองก็ต้องทุกกับสมบัติเข้าของเงินทองไหนจะต้องดูแลไหนจะต้องรักษาไหนจะต้องกังวลไหนจะต้องเสียหอกเสียใจเมื่อต้องจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ไป เหงนี้เรียกว่าเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นแต่คนที่ไม่มีอะไรเลยนั้นแสนจะสุขแสนจะสบายเพราะไม่ต้องมาดูแลรักษาไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาหวงไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาเสีย อ, อกเสียใจเพราะไม่มีอะไรจะต้องเสียนั่นเองมีแต่ตัวเปล่าๆแม้แต่ตัวเปล่าๆ เ, เองก็ไม่ยึดไม่ติดถ้ามีปัญญา จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นเพียงดินน้ําลมไฟเท่านั้นร่างกายนี้มาจากดินน้ําลมไฟทานทางอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายนี้แตกดับไปมันก็คืนกลับสู่ดินน้ำลมไฟปล่อยให้คนตายทิ้งไว้ดูทั้ระยะหนึ่งฝังไว้ในดินต่อไปมันก็จะกลายเป็นดินไปหมด เพราะมันเพราะมันเป็นบินมันไม่ได้เป็นอะไรนั่นเองแต่ความหลงนั้นมักจะเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราพออะไรเกิดขึ้นมากับมันก็เกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจไม่รู้จักจบจากสิ้นนี่แหละคือปัญหาของพวกเราคือความหลงเราเห็นผิดเป็นชอบเห็นในสิ่งเห็นเห็นสิ่งที่ไม่จรังทาวรน ว่าจีรังถาวรเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นเราว่าเป็นของเราเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะเดินทางผิดเราก็จะไปสแสวงหาสิ่งต่างๆที่ไม่จีรังถาวรเช่นเงินทองบุคคลต่างๆเมื่อสแสวงมาแล้วพอมันเปลี่ยนแปลงไปมันสูญเสียไป ก็สร้างความทุกข์สร้างความเสียอกเสียใจตามมาเพราะว่าเราไม่เห็นถึงสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถาวรสิ่งที่เป็นสุขที่แท้จริงสิ่งที่เป็นสมบัติของเราที่แท้จริงมีอยู่แต่ไม่ได้อยู่ภายนอกมันอยู่ภายในใจของเราอยู่ในใจของเรานี่แหละเพียงแต่ใจของเราในขณะ น, นี้มันต้องการมันต้องการได้รับการดูแล ต้องการได้รับการชำระนั่นเองใจของเราตอนนี้เหมือนกับบ้านที่มันสกปรกไม่น่าอยู่ถ้าเรามาปัดกวาดมาทำความสะอาดให้มันเรียบร้อยบ้านก็จะน่าอยู่ใจของเราก็เหมือนกันตอนนี้มันสกปกรกรกหลงรั ง, งด้วยกิเลสปัญหาความโลภความโกรธความหลงทุกวันนี้ที่เราทุกนั้นเราไม่ได้ทุกข์เพราะอะไร ทุกข์เพราะความโลภความโกรธความหลงสิ่งต่างๆภายนอกนั้นความจริงเขาไม่ได้สร้างความทุกข์ให้กับเราเขาก็เป็นอยู่ของเขาอยู่อย่างนั้นเขาก็มีของเขาอยู่อย่างนั้นมาตั้งนมตั้งนมนานแล้วแต่ใจของเราที่มีกิเลสนั้นที่ไปหลงไปยึดไปติดกับมันที่ทำให้เราต้องวุนว่นวายใจแต่ถ้าถ้าใจไม่มีความโลภความโกรธความหลงอยู่แล้ว ไม่ว่าจะอยู่กับอะไรก็จะไม่มีความทุกข์กับสิ่งต่างๆเพราะใจไม่ได้ไปยึดไปติดไม่ได้ไปหลงไปอย่างให้ไม่ได้ไปหลงไปอยา่งอยางไม่ได้ไปต้องการให้สิ่งต่างๆเหรานั้นเป็นไปาตามความต้องการของตนเช่นเวลาหนาวก็อยากจะให้มันร้อนเวลาร้อนก็อยากจะให้มันเย็นนี่คือความอยากที่มีอยู่ในใจของเรา ไม่ว่าเราจะมีอะไรมากน้อยเพียงไรเราจะไม่มีความรู้สึกพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่เราจึงต้องออกไปสแสวงหาสิ่งใหม่ๆอยู่เรื่อยๆสแสวงหาบาได้มากน้อยเพียงไรเมื่อได้มาแล้วไม่นานเราก็เบื่อกับมันเราก็อยากจะได้สิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นไปอีกเรื่อยๆนี่คือนี่คือกิเลสตัณหาธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้ แล้วถ้าเวลาแสวงหาแล้วไม่ได้มีคนมาขัดขวางมีคนมาแย่งไปก่อน mm. ก็จะเกิดความโกรธ mm. เกิดความอาฆาตพยาบาทขึ้นมาถ้าหักห้ามจิตใจไม่ได้ mm. ก็จะนําไปสู่การ mm. ก่อเวรก่อกรรม mm. ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเพราะความโกรธที่มีอยู่ในจิตในใจของตนแต่ถ้าเราได้มาศึกษา ได้มาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้รับรู้ว่าความสุขที่แท้จริงสิ่งที่จรรยงสาวันที่แท้จริงสิ่งที่ไม่ตายนั้นมีอยู่สิ่งนั้นก็คือใจของเราใจของเราถ้าได้รับการชำระกำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจด้วยการกระทำความดีต่างๆเช่นการเสียสละ การไม่เห็นแก่ตัวความเมตตากรุณาเอาเื้อเฟื้อเผื่อแผ่การความซื่อสัตย์สุกจริญการกระทำเหล่านี้แลเป็นการชำระกิเลสตัณหาเป็นการทำจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์และเมื่อจิตของเราสะอาดบริสุทธิ์เมื่อไหร่เมื่อนั้นเราจะพบกับความสุขที่ถาวรเราจะพบกับความอิ่มความพอ เราจะรู้ว่าจิตของเรานี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายและจะมีความสุขอย่างนี้ไปตลอดไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นใดมาให้ความสุขเพราะไม่มีอะไรจะให้ความสุขกับใจได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจไปแสวงหาไปยึดไปติดไปเกาะไปอาศัยเป็นเครื่องเป็นสิ่งนำความสุขมาให้นั้นล้วนมีความทุกข์แถ้มาด้วยทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็าตามพอได้มาแล้วความสุขที่ได้มาก็จะขิ้จางหายไปแล้วก็จะเหลือแต่ความขมขื่นเหลือแต่ความทุกข์ตามมาเป็นเหมือนกับยาขมเครือบน้าตาลนั่นเองชีวิตของเราจึงต้องหันเข้ามาข้างในหันเข้ามาชาระใจของเราให้สะอาดหมดจดมีทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ ชีวิตของเราดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นสวยงามขึ้นไม่ได้อยู่ที่ภายนอกสิ่งภายนอกนั้นมันมีแต่จะเสื่อมลงไปมีแต่จะเลวลงไปอยู่เรื่อยๆไม่มีดีขึ้นสังขารร่างกายของเราต่อไปมันก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆผิวหนังก็จะเหี่ยวจะยน่นผมก็จะมีสีขาวผมก็จะร่วงลงไปเรื่อยๆ ดีไม่ดีศรีรษะก็จะไม่มีผมหลงเหลืออยู่เลยนี่คือธรรมชาติของร่างกายความสวยงามทางกายเป็นอย่างนี้ขอให้เราจงอย่าไปหลงไปยึดไปติดกับความสวยงามกับทางร่างกายอย่าไปเสียเวลาดูแลรักษาร่างกายเกินความจําเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการก็เพียงอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเพื่อปกปิดอวัยวะ เพื่อรักษาป้องกันไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยท่านั้นเองนอกเหนือไปจากนั้นแล้วไม่มีความจำเป็นไม่จาเป็นต้องไปซื้อเครื่องสำอางไม่ต้องไปซื้อน้ำหอมไม่ต้องซื้อของต่างๆมาเสริมความงามเฉริมอย่างไรมันก็สู้ความจริงไม่ได้สู้การเวลาไม่ได้เพราะการเวลานี้มันชนะทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอยู่ภายใต้กฎของการละเวลาในที่สุดต่อให้มีเครื่องสำอางราทาแพงขนาดไหนน้ําหอมสวยขนาดไหนจะแต่งอย่างไรมันก็ดูไม่สวยอย่างนั้นแหละ ย, ยิ่งแต่ก็ใส่ยิ่งแต่งก็เหมือนแต่งหน้าทาปากให้กับลิ้นมันสวยที่ไหนหลิ้ลองไปแต่งหน้าทาปากให้มันดูนี่คือความสวยงามของร่างกายอย่าไปสนใจกับมันเพียงแต่ดูแลรักษาไม่ให้มันสปกปรก ให้มันดูแล้วเรียบร้อยก็พอแล้วหันมาทุ่มเทเวลาให้กับการเสริมสร้างความสวยงามทางด้านจิตใจอย่างที่ท่านทลายได้มากระทำกันในวันนี้นี่เป็นการเสริมสร้างความสวยงามทางด้านจิตใจเราเสียสละเวลาอันมีค่าของเราเสียสละเงินทองแทนที่จะไปเที่ยวเอาเงินไปซื้อข้าวซื้อของซื้อของฟุฟืยเราก็เาเงินมาซื้อของถวายพระ เราเสียเวลาแทนที่จะต้องแทนที่จะนอนหลับสบายวันเสาร์วันอานทิตย์ตื่นตอนสายๆก็ได้ก็ต้องตื่นมาแต่เช้ามืด น, นี่เรียกว่าเป็นการเสียสละการเสียสละนี้ทำให้จิตใจของเราดีขึ้นสูงขึ้นทำให้จิตใจของเรามีความสุขมากขึ้นจึงควรที่จะทำให้มากยิ่งขึ้นไปอย่าคิดแต่ได้เพื่อตัวเราเองคิดถึงผู้อื่น เพราะการกระทำอะไรให้กับตัวเรานั้นจะไม่ได้ความสุขเหมือนกับการกระทำให้กับผู้อื่นเวลาเราทำให้กับตัวเราเราจะรู้สึกเฉยเฉยอย่างมากก็ดีอกดีใจไปเดียวเดียวแต่ถ้าเราทำอะไรให้กับผู้อื่นแล้วมันจะติดไปกับใจเราเป็นเวลานานจะสร้างความอิ่มเอิบใจให้กับเราเช่นเราทำอะไรให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราเช่นวันนี้เราอยากจะไปเที่ยวแต่คุณพ่อคุณแม่ชวนมาวัด เราก็มากับคุณพ่อคุณแม่อย่างนี้ทำให้คุณพ่อคุณแม่มีความสุขเราก็มีความสุขด้วยนี่คือการกระทำที่จะเสริมสร้างความสุขให้กับเราเสริมสร้างความสวยงามให้กับเราเพราะเราจะกลายเป็นคนน่ารักน่าชื่นชมยินดีนั่นเองพอเราไม่ได้น่ารักน่าชื่นชมยินดีที่รูปร่างหน้าตาแต่อยู่ที่การกระทาของเรา ถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์สุดเจริญเป็นคนเสียสละไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนกับใครจะไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรก็จะเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมยินดียินขอให้ท่านทั้งหลายจงให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างความสวยงามทาง จ, จิตใจแล้วก็สัมเพนไปได้เรื่อยรับรองได้ว่าความสุขและความเจริญที่แท้จริง จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยิดไหว้เคี่ยงทอีขอคุณพรศีรัตนกราบุีพระพุธปรรมพระสงค์และสิดจัดสิทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านแค้วค่าปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีความสม ความปัดมีความสมปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการเธอ